กลุ่มปฏิบัติก็มีจำนวนหนึ่งที่มาธรรมัตรร่วมกันอีกส่วนหนึ่งก็เก็บอรมเข้มมีส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มคอส7วันนะอยู่แล้วกลับไปแล้ว อากาศร้อนของเรานี่ยมีตาปลดปล่อยลดละเลิกรู้สึกตัวอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่แรงแล้วแต่มีความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวมันก็ชาตนะ 2-3 วันเนี่ยมันมันเคยติดมา เราเป็นครูที่พูดอย่างนี้เอาเป็นครูเนี่ mm hmm. ยมีโอกาสที่จะฝึกหัดเรียนรู้กัน mm hmm. อีกหลายวันโดีเฉาะวันนี้เราทาวัดจดมาร่วมกันนอีกหลายคนตอนนี้ก็ยังอาจจะกลับไม่ถึงบ้าน หลังจากเลิกงานแวะนั่นแวะนี่แวะนู่นไปตกค้างอยู่ทางตลาดร้านค้าบางร้านอาหารบางหรือว่าหลายคนอาจจะไปออกกำลังกายอยู่เวลานี้ก่อนนอนกับเผาผ่านอาหารไขมงไขมันแม่อาหารตกค้างหลับ พวกนี้จะได้เบาๆเนื้อเบาๆตัวแต่ของเรานี่มาฝึกให้จิตมันฉลาดฉลาดในเรื่องของเราะตามวิชากรรมฐานวิชาพุทธศาสตร์มันก็น่าสนใจน ะ, ะว่าเจ้าชายเสือาน จบ18าศสาสตร์ศาสตร์ที่19คือู้าศาหนาเละจบตัววิชาเลยรันเนี้ยไม่ต้องทุกอีกต่อไปหลายาศาสตร์เริ่มต้นใหม่เรียนจบมายังทุกเหมือนเดิมยังไม่ได้คำตอบของชีวิต mm hmm. เวลารู้สึกตัวก็จะเห็นว่าเออมันก็มีการรักช่วทำดีชำระจิตจอยู่ยว่าความรู้สึกทุกๆคนนะ ความคิดก็มีธรรมดาธรรมชาติของมัน <Yeah. S 1> แต่ว่ามันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนคิดแล้วไปปรุงไปแต่งนั้นคิดแล้วรู้ทัน <Yeah. S 1> รู้สึกรู้สึกยังไม่สนใจความคิดนะยิ่งเห็นชัดแหละเราก็ดำลี่ไว้ไม่ไม่ไม่คิดเลยดำลี่ไว้งั้นแหะแต่ไม่ห้ามมันนะแต่จะไม่ดำลี่ เป็นคิดกุศลเป็นคิดอกุศลดำลีแบบนี้ยดำรีไม่ดำรีซ้อนอนกันอยู่นะดำลีที่จะไม่ดำรีคิดเป็นกุศลเป็นอกุศลเสร็จแล้วก็เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกก็ยิ่งเห็นชัดนะความเจกระส่วนหนึ่งความคิดกระส่วนหนึ่งกระส่วน บางทีเราก็เห็นว่าตัวพาวนามันหายไปแล้วก็ไปทำดีลดฐานลงมานิดหนึ่งทำดีคิดดีพูดดีทำดีผลขวายงานบุญนะจิตอาสาต่างๆไม่มีใครใช้เรื่องบางทีก็มีคนใช้เหตุปัจจัยต้องทำบางทีมันไม่ได้ทำดีมันก็เลยไปทำไอ้สิ่งที่มันเจ็บติดมาี่เพื่อนหิวเล่าอย่างเงี้ยนะ จริงถ้าเปลี่ยนเป็นงานบุญสักนิดหาอะไรทําเห็นโทษ mm hmm. ของการดื่มสุรา mm hmm. คนที่ดื่มสุราเนี่ย mm hmm. เป็นโรคร้ายโกตับแข็ง mm hmm. กินเหล้าคลองสติไม่อยู่กับพูดจาไม่รู้เรื่อง mm hmm. เดินันไปตรงทาง mm hmm. คิดพูดทมก็ทาตามแอลกอฮอล์มันสั่งผีสุรา พข้าสิงามทำดีไม่ได้มันก็ต้องไปตามอำนาจของสิ่งเสพติดฤทิ์แอนโกลลหอมก็สั่งระบบสมองระบบประสาทยาขึ้นมาก็มีาการแปลกๆมเรียกร้องเป็นเปลดเป็นผีไปแล้วอยู่ไม่ได้หรอกความรู้สึกตัวดีขนาดไหนก็ไม่เอา ฐานนี่อะไรเงี้ยละชั่วทําดีชำระจิตใครเข้าถึงเคลื่อนไหวรู้สึกกแสดงชำระจิตนะทุกขณะมันอาจจะยังงงๆอยู่ว่าปัญญายังไม่แตกฉานแต่ทําดีเนี่ยมันยิ่งก็ดีนะรู้สึกตัวแต่ละขณะ่เนี่ยบนสูงสุดเลยมหากุศลเลยดีว่าสร้างวัดสร้างวาโบสถิหารลานเจดีย์กันเลยลานผันล้านยังไม่เท่ากับความรู้สึกตัวครั้งเดียวเลยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะ บาอาจารย์นั่นพูดไว้แล้วเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ที่ว่าบุญดีขนาดไหนมันก็เหี่ยวอยู่ดีเวลาใกล้ตายหลายคนทําดีมาเห็นระลึกบุญไม่ได้สักคนน้อยคนต้องไปชี้นำเนี่ยเคยทําบุญมางั้นอย่างนี้อย่างนู้นไปชี้นําบอกกันถึงได้สติขึ้นมาที่นี่เคยมีคนไม่ปฏิบัติทําบุญทําดีนี่แหละ พูดแล้วผู้ที่อีกนะเป็นคณนายคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมมาปลูกบ้านอยู่ก็กล่าวว่าจะมาตายที่สุโกโตนะปลูกบ้านยอมเสียเงินเสียทองสามีเป็นผู้พันยกมือไปขึ้นแต่ทำกับข้าวได้ทั้งวันขับรถไปนั่นไปนี่ไปตลอด แต่ยกมือนียกไม่ได้แถมผ้าก็เตือนไม่ได้เลยนะพระเตือนไม่ได้ป่วยเลยมีความศรัท ธ, ธา mm. ไม่เชื่อเลยพระเหลืองหัวโล้นไม่เชื่อ mm. เตือนไม่ได้ไทยเสือลองโอยโอยโวยโวยโคนคนเนี้ยก่อนใจจะขาดนาะลองหาพ่อหาแม่ จนสามีลำคาแรักกันขนาดไหนก็ตามแต่มารักษาโรคภัยแค่เจ็บหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายแล้วลำคาแรมันเบื่อจับเมียเอาหัวกร ะ, ะแทกเตียงโครมโครมโครมโครมมาอไรจะตายมาไรจะตายหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายจนนามาฟ้องพระก็ะไม่รักหน อาไม่รักยังไงกุฏิก็สร้างให้ไปโรงพยาบาลเอาอยู่เอายาไปคำ ม, มือตึกเดินก็ยังไปเอามาให้ของกินพฤติกรรมมันก็บอกถึงว่ารักหรือไม่มาฟ้องเพลาไม่รักก็อธิบายว่าจับหัวหนูฟาดกระเตียงกระแทกกระเตียง ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องนอนแมพอยู่บนเตียงหวางพึ่งนะหวางพึ่งแต่ท้ายสุดก็พึ่งไม่ได้ความรักเป็นความร้ายขึ้นมา mm hmm. ก็ไม่พึ่งความรู้สึกตัวมาวัดป่าสู่โตไม่พึ่งรูปแบบการปฏิบัติฝึกหาจะทําเป็นจะได้พึ่งเพลงได้มากๆ ม, มันก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วทีนี้ หายอยู่หากินเราก็เลยเห็นตัวอย่างเป็นครูน้อมเ้าไวใส่ตัวแล้วเราก็เอาละเราก็จะมาฝึกสติละเราความรู้สึกปลุกปลุกจนกระทั่งมันตือนขึ้นมาความรู้สึกตัวแต่ลกรนะแต่ลกรนะนต่ลกรนะ นิ้หน่อยหัวล้นนุมผมาเหลืองนั่งทีก็ไม่ใช่ว่าเขาเชื่อทุกคนนะไม่ได้เชื่อทุกคนอย่างเช่นเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อเราทุกคนมองดีมองย่อด้ซ้ํามองเหมือนที่เราเคยเป็นแล้วมองพลาสมัยก่อนบวชนั่นแหละเรามองด้วยจิตใจแบบนั้นมาแล้วเหมือนกันพอ ถ, ถึงคิวเราเขาก็มองเราอย่างนั้นแหละเหมือนกัน เราก็ไม่สนใจเราก็มาสนใจตัวเองเข้าวัดเข้าว่าคนก็ไม่ได้ว่าปกติดีหรอกนะบอกให้ส่วนใหญ่บอกเพี้ยนหนึ่งกันละพวกเข้าวัดเน่จริงไหมว่าเราจริงไหมมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พวกเข้าวัด น, ะ น, ดดนี่ผมและอาตมาเคยมองกันมาแต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุนะ ที่ต้องได้มาฝึกมาหัดจนได้ละมาเราอย่ารอให้ทุกข์ก่อนบางทีคนบางคนหม ด, หมดโอกาสบางทีก็ลาลับจากโลกนี้ไปตายไปซะก่อนที่พูดถึงว่าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็นิมิตของผ้าเหลืองไม่ค่อยมีความหมายนะ mm hmm. เคยเจอมาเต็มๆเลยนะ mm hmm. เคยเจอ mm hmm. เวียงบวงบาดใส่ฟึบก็แหรู้จักบวงบาดไหมคาบอยอะเชือกบวงบาด มองหน้าตาไม่กระพิบสักเต็มตัวใบรุ่นเบี่ยงบวงบาดจับหมาที่อยู่ของเท้าของพลาจับหมาไปตีแล้วก็ลาบกินดิบๆฟังแล้วถึงไงนะกินไหมเรากินหมาดิบไหมหมูดิบเรียงว่ากินไม่ลง นี่ speaker, หมานะหมาเป็นพวงเลยนะตัวสีน้ำตาลยืนโทรศ <bitch> ัพท <c ros LES> ์สมัยก่อนมันไม่มีคลื่นมือถือโทรศัพท์เขาก็ไม่ได้เกงใจนะจะกินหมาคือจะกินหมาพระไม่เกี่ยวแล้วท้ายสุดไงเราเดินตามไปดูเขาลาบกินซะแล้วแป๊บเดียวเองหมาตัวนี้ไปกัดลูกชาบ้านก็นะ มันเป็นงานศพอันนี้ไม่มีอะไรแก้มกันเอามาตัวนี้แหละซอขิงตะไคร้ใบสะระแหน่<ม>บีบน้ำมะนาวเข้าไปแสบเขาขี่เราหนึ่งปีต่อมามันตายเพราะเชือกคนคนนี้ตายเพราะเชือกนี่แหละนิมิตมันไม่มีความหมายแตท้ายสุดกรรมมันเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกตัวตัดกรรม จำกัดได้อยู่กำขาวกำดำําผาศพในคนหัวเราะทั้งหมู่บ้านเลยโดยเฉพาผู้ใหญ่บ้านขำ ม, มากศพเนี้ยไม่มีใครเขาสลดร้องไห้เลยแม้กระทั่งแม่ก็ตามเพราะแม่สาบแช่งอยู่ทุกวันทั้งพี่ทั้งน้องตายสุดตายทั้งคู่เลยปากแม่นิวาจาสิทธ์มากนะอย่าสาบแช่งลูกอยนะ่ามันแรง พลายอีกอย่างอย่าให้ตำหนิดา่ามันแรงคำพูดมันแรงพูดด้จิตบริสุทธิ์แล้วก็ชี้ตรงกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยตายเลยเหมือนหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่านะว่าขณะเดินบิน บ, บาตด้วยความสำรวมรถก็ขับคันนี้ฝนมันตกน้ำมันมันแฉ ะ, ะเป็นหลุมอยู่มันวิ่งน้ำชิว้ว น้ำโครนแดงๆเลอะอลยเมื่อขับไปหลวงพ่อก็จิตแว บ, บบอกเออมันน่าจะคว่ำนะขับรถอย่างนี้นไปหลุดโค้งอยู่ข้างหน้านะโครมทันทีทันใดนั้นเร้่มงวันนี้ยเราเล่ากันอยู่แต่ว่าไม่อยากจะพูดเป็นลิทธิปฏิหารอะไรมันมันโง่หลงงม ง, งายนคนน ะ, ะสิ่งที่ต้องเชื่อเนี่ยมีนะในโลกใบนี้คนเกิดก่อนที่เขา ปฏิบัติดีป็นบัติชอบนักปราชญ์ทั้งหลายที่เขาโมงหวังแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตกัจจีบอกให้เกิดมงคลให้เกิดความฉลาดครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเรามาวัดถึงวัดแล้วก็มาวัดให้เต็มที่อะไความรู้สึกตัวรูปแบบในวัดกันไป จะหาอยู่หากินน่ะนู้นชีวิตโลกโละมันที่สุดมันอะไรก็ได้ทุกรูแบบวิชามารวิชาพระใช้เต็มท no ี่ไม่ได้เลอะได้เอาได้เกาไดกไม่ได้เดมอนเกาได้คาถาเอาตรงๆไม่ได้กันหลอกกันบางหูบางตากัน เวลาเราชาระจิตก็หมายถึงภูมิจิตภูมิธรรมของเราที่เข้าสู่สภาวะของความเป็นปกตินะบ้านของมันมนาตรฐานของจิตคือความเป็นปกตินะวันนี้ก็ทราบว่าอาจารย์ญี่ปุ่นกลับมาแล้วนะอาจารย์ญี่ปุ่นปูที่นั่งไว้นะอาจารย์ยูกิเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนเห็นชาวญี่ปุ่นก็ยังนึกนเฮอสงสารอาจารย์ยูกิจะกลับมาแล้ว ที่นั่นนี่มีคนฆ่าตัวตายกันปีไม่น้อยกว่า 35,000 น้คนประเทศญี่ปุ่นวันหนึ่งกี่คนเราํำนวณดูปีมี365วันอันนี้ปีตางตาย 30,000 กว่าคนนะวันละเท่าไหร่ก็นด้คือเมืองที่ไม่รู้จักความรู้สึกตัวรู้จักต่งสวรรค์เป็นยังไงหาอยู่หากิน เทคโนโลยีล้ำยุคระเบียววินัยจัดแต่ท้ายสุดเป็นไงเครียดค่าตัวตายกันผู้หญิงนี่ถูกกดขี่มากแต่งงานต้องรับใช้สามีลูกเดียวประเทศจีนก็เหมือนกันนี่มีผู้หญิงจีนนั่งอยู่นะปฏิบัติธรรมจนโทษพูดเป็นคนไทยแล้ว เนี่ยเนี่น่อวชเชื่อมีตัวตนอยู่นะข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำอะไรกันไปรู้แต่เขารู้ดีว่าเขาข้ามาทำอะไระะแต่หลายคนก็เป็นเหมือนกบอยู่ใต้กอบัวหรือห่อลู้ลดรถมานหนึ่งน้อยภุมรลาไก่สถานนับยอดบินโบกมาค่อยๆคุกเข้าสาวคน ต่างถินต่างแดนมาญี่ปุ่นมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่คนไทยเรามันอยู่ใกล้เกินไปมันเลยยังไม่เห็นคุณค่าแต่ด้า น, นที่เรามากันอยู่ที่นี่เราก็คงจะเห็นคุณค่ากันอยู่ระดับนึ่งนะหลายคนศรัทธามาหลายคนมาเก็งลมเข้มบางคนก็มาตามโครงการถึงไม่อยากทําก็ต้องทําทำแล้วปวดหัวทำแล้วมึนงงทำแล้วงกงหวง ก็ต้องทำปรมาวัดก็วัดเอาเองทาไมวิ่งอยู่ในห้องมีหมอตรวจเครื่องมือตรวจโรคหัวใจมีสายพานทาไมวิ่งบนสายพานดิจิตอลมันไม่บอกหรอกแบปกติไม่ปกติฉันใดก็ดีไม่เคลื่อนมือไม่เคลื่อนไหวมันก็ไม่บอกหรอกปกติไม่ปกติแต่พาร์ลไม่ปกติหรอกต้องยกมือไม่ขึ้น มันกำลังจะทำดนะีหรือว่าจะไปทำชั่วอยู่ประเภทนีนะ้การยกมือไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วเนี่ยมันก็เห็นอยู่ไม่ได้ไปตบยุงไม่ได้กำหมัดกัดฟันไม่ได้ไปทำอะไรทั้งหมดมันเหนือดีเหนือชั่วนาะยกมือสิบสี่ชั่ะไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นนิพพานนะเหนือดีเหนือชั่วถ้ามันเฉยเฉยรู้สึกเนี่ยมันจะไปนิพพาน แต่ถ้าเฉยไม่เคลื่อนไหวไม่รู้สึกเตรียมตัวแอะมันไม่ดีก็ช่วยแหละมันเตรียมไว้พร้อมดีพร้อมช่วชเป็นเวรขาที่พร้อมจะดีพร้อมจะช่วชแต่ถ้าเฉยๆแล้วรู้อยู่เนี่ยอันนี้ปลอดภัยเลยจิตใจของเรามันไม่ออกแสสายไปหาความสุขความทุกข์ปกติปกติอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกอย่างวันนี้คนเมาเนะี่ย ที่เมามาแอลกอฮอลิซึมระบบประสาทร้อนไม่สนใจอ่ะใครเป็นใครก็ไม่สนแล้วอยากได้โทรศัพท์ก็จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะเอ า, จะเอาคืนรถก็บอกให้คอยหน่อยก็จะไปจะไปจะไปจะไปมันร้อนขนาดนั้นเลยร้อนร้อนลุ่มเวลาเป็นวัติธรรมของเราเลยเรียกว่าเอาเป็นครูให้หมดเลย ยังอยู่ได้อยู่ยังเดินทางนะพัฒนาจิตไปสู่ความดีความงามได้อยู่นะดีง่ายทุกยากนะไม่ใช่ทุกง่ายสุกยากนะทำดีได้ง่ายทำไม่ดีได้ยากนะเรียนดีเรียนถูกเรียนผิดนะขณะปฏิบัตินะบางทีมันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดมันเป็นประสบการณ์สองข้างทางเราต้องผ่าน เช่นบางคนเดินปฏิบัติตกใจเฮ้ยมันหัวลราะทำไมเม่อไหร่พวกนั่งวัดเทียมอารมเข้มเนี่ยตกใจปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยจะบ้าอย่างนี้จะเพี้ยนอย่างงี้ตกใจอะไรนะบางทีทำไมไม่ปกติเดินเฉยๆเดินรู้สึกซื่อๆมันหัวลรา อ, อะไรของมัน น, นีอันนี้มันก็บอกถึง ให้เราสำรวมตาสำรวมหวูไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราให้เป็นเรื่องของเขาเลยเดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกวิปัสสน า, าจึงมีวิปัสสโนจินญาและวิปลาสคอยอยู่วิปัสสนาคือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงไม่หลงก็ไปในอารมณ์มัรู้อยู่ วิปัสสนูมันหลงก็ไปในลมความเบาความสบายประคองอะช่หมดนะะัน่นแหละวิปัสสนูันแหละไม่ต้องประคองอะไรเกิดมารู้มันมันจะหนักมันจะเบารู้มันอย่าไปประคองความเบาอย่างนะีวิปัสส น, นูนะรวยด้วยเบาแ้ะดีจางประแค่ประคองปรับอยู่นั่นนะแหะนั่นแหละวิปัสสนูหรือว่ามันเกิดหมากำหนด เพ่งจ้องจี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟ้าหมับมับมับเลยเป็นไปนในความรู้สึกตัวนี่วิปัสสนะเหมือนกันละถ้าวิปัสานาจะรู้อยู่ปกติอยู่มาไปอย่างนั้นปิติจังเลยวันนี้ขนลุกขนชันโอ้ยสูสา่าสูสา่าโอทําไมมันเย็นยิ้มอยู่ข้างใน สังเกตไหมเดินแล้วขนลุกขนพองมีไหมฮะกคืนส่องไ้ฉายมีเสียงเงี้ยขนลุกสู้เงี้ยมีไหมื่อทีนอนอยู่เพื่อนก็แม่นนอนไม่หลับไฟปิดอยู่เงี้ยดันลุกขึ้นมากลนคืนมานั่งผมยาวเราลืมตาเห็นเงาลางๆขนลุกสู้นลกวก็ผีหลอกเงียเป็นไหม อาการขนลุกขนจันทร์บางที่ก็ปวดปะสะวัสสาวะนะบางทีย่นั้นก็เป็นปิติบินทีปวดทองเยี่ยวขนลุกอาการนั่นกันยกายใจของเรามันมีอาการเรารู้บัณฑ์มาหาความรู้สึกในขณะที่ผลิตเนี่ยนะเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวที่เราผลิตขึ้นมาตัวอื่นๆเราไม่ได้ผลิตเลยเป็นธรรมชาติความเป็นเองของมันมากมายเหลือเกินอย่าหลง ให้กลับมาหาการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสที่เราสร้างและผลิตเนี่ยไอตัวนักแก้ได้ทุกอารมณ์แก้ได้ทุกอารมณ์เลยกลับมามันจะเป็นลักษณะของสมถะหรือปัสนาคือตัวแก้และเบื้องตอน้นขอให้กลับมาก่อนหลังจากกลับมาแล้วเราจะเห็นว่าเอออารมณ์นั้นมันก็จางคลายไปเองเราไม่ได้ไปทําอะไรมัน นั้นความคิดอย่าไปห้ามความคิดอารมณ์อย่าไปห้ามอารมณ์มันมาก็ดีแล้วเราก็จะได้แข็งแรงเกิดความว่องไวไวพิปฏิพาณธ์เจริญสติสติก็เจริญขึ้นมาเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน้นรู้เท่ารู้ทันไปท้งภายในภายนอกภายนอกภายในหลวงพ่อเทียนพูดไว้ชัดนะขออ้างเน็ตหนึงคำพูดหลวงพ่อเทียว่า สภาวะของเราเวลาเกิดอาการข้างในขึ้นมาถ้าเราไปยุ่งกับมันก็เหมือนกับอยู่ในถ้าคนอยู่ในถ้าก็ไม่เห็นถ้าหรอกแล้วก็ไม่เห็นข้างนอกดก้วยเข้าไฉลาดนอกถ้ามีอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยฝนตกแดดออกน้ําจะไหลล่นเข้าไปในถ้ำแล้วเรือเดินมันถล่มมันจะปิดปากถ้ำแล้วยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นออกมาอยู่ปากถ้ำมาอยู่ปากถ้ำ จะเห็นทั้งในและเห็นทั้งนอกคนอยู่นอกก็ไปเห็นในคนอยู่ในก็ไปเห็นนอก <Yeah. S 1> นะเหมือนค น, นหลงไหลในวัตถุ ก, การมาคุณมันก็จะไม่ได้เห็นหรอกว่าหน้าที่ตอนนี้กาลังทำอะไร <Yeah. S 1> ก็เซไปกับข้างนอกตาหูจมูกลิ้นรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ <Yeah. S 1> บางคนก็ น, น่นไปทาง สิงคโปร์ไปไต้หวันไปแคมนไปพ ม, มา่าบอนคาสิโนผ่นาไปแล้วคันนี้็ไม่รู้แล้วกลับบ้านกลับช่องไม่เป็นแล้วไปหลงอยู่ในนั้นนะตั๋วเครื่องบินก็กให้ฟรีแค่บอกหมายเลขไปไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไงไอทางชั่วเนี่ยมันไปง่ายขนาดนี้เลย เราไปไปก็เลี้ยงอาหารที่อยู่ที่หลับพกเงินไปไหลายเดียวก็หมดหมดถึงจะได้กลับบางคนก็ได้มาเล็กๆน้อยๆไปให้ติดใจเดี๋ยวก็ไปใหม่ขณะที่อยู่ในนั้นมันก็โอ้เป็นโลกคนละโลกกันเลยใครไปไ้ยโยนใครไปไห ม, ไไหมในนี้ใครเคยไปมัง่งบอนคาสิโนเงี้ยหรือเอาแค่ว่างานศบข้างบ้านกันแล้วกันงานศบ าาจําได้นะมาเคยเล่นครั้งเดียวเข็ดเลยเคยเล่นไอ้เต้าปูปลาเคยเล่นไหมเงนินสดอะอัดมาเริ่มเล่นอย่างงี้นะเมื่อก่อนนะเริ่มเล่นอย่างงี้10 บ, บาทมีเงินอยู่10 บ, บาทก็จะเล่นบาทหนึงเอาเสียอสองบาท2บาทอะไรมา เอาทุนเอาหม่เริ่มใหม่เล่นอีกบาทหนึ่งเอาหม่ได้มาบาทหนึ่งได้ละบาทนึ่งลงทุนไปอีกบาทหนึ่งไดมาบาทเป็นสองบาทแล้วเอาใหม่เล่นอีกบ nee าทหนึ่งเสียบาทหนึ่งขาดทุนไปบาทหนึ่งเล่นอย่างเงี้ยเคยเล่นแบบมีสตินะเคยเล่นอยู่เหมือนกันอยากจะรู้เป็นไงเล่นแบบมีสต MA ินก็ได้เหมือนกันนะ ค่นเองว่าสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็จะกล่าวว่าลองดิทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่นกันทีก็ได้เป็นก่อบเป็นการรมีเราเล่นเท่าน้อยทําไม่เล่นแบบมีสตียการเล่นกันวันนั้นมันได้น้อยแท้ก็โล่ปรเดนี้แทงพลวดไปเลยทีเดียวเลยสามส บ, บาทหายเรียบเลยได้กำไรมายี่สิบาทแล้วนะวันนั้นจําได้ไม่มีตังค์ไปกินขนมที่โรงเรียนก็เลยเขียนไว้ในใจวันนั้นว่าจะไม่เล่นการบันนั้นตลอดชีวิตเข็ดแล้วเสียดายเสียดายตังค์ แล้วก็ไ่เล่นหนังนั่นเป็นต้นมาเลยครั้งเดียวเลิกเลยไอเต่าปูปลามันก็มันก็เข็ดเป็นเนะียเสียดายเสียดายก็เชื่อว่าคนที่เ็าไปเล่นน่ะก็เสียดายมังคนเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเท่าไรเท่ากันมาหลงเลยฮหลงนอกเวลาปฏิบัติก็หลงในก็จะมีอารมณ์วิปัสสนโจินญาณวิปราสนาะหลงในเวือนะี้หลงอารมณ์เคยเห็นไหม เดินจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเราขับรถไปในเห็นแล้วก็เดินยิ้มเดินไม่รู้ร้อลู้หนาวเลยนะยิ้มอยู่คนเดียวนะแต่เราอย่าไปแซวอย่านะเลยอย่าไทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าทำไมเขาไม่พอใจมันเอาไม้เอามีดเอาขวานทุบรถฟันรถได้แสดงว่าไม่ใช่อจฉริยะไม่ใช่อริยะ แต่เป็นเรื่ของวิปัสสนาอารมณ์พวกนี้อารมณ์พวกนี้จะรุนแรงมากนะเวลาเฉยเหมือนไม่ทําอะไรแต่อย่าให้ทํำนะมันเอาตายอารมณ์พวกนี้นะวิปัสสนาะเหมือนกับมันทํำลายตัวเองได้เลยนะอารมณ์นี้สามารถฆ่าตัวเองก็ไดนะ้เราก็จะได้รู้จักเวลาเวลารมจะผ่านทุกอารมณ์นั่นแหละนะปัตโนจินญานวิปัสส น, น, นต่างๆลนะมพุเทเรียนนี่ผ่านแต่ผ่านไวมากนะ ตามที่เคยได้ยินได้ฟังท่านเล่านเะพอท่านปฏิบัติธรรมท่านรู้อารมณ์รูปนามปั๊บมันเป็นวิปสัสโนทันทีก็อารมณ์วิปสัสโนขึ้นมาตกเย็นท่านอาบนา้ําพราอาบน้ำเนี่ยถูเนื้อถูตัวอาบนา้ําน้ําเย็นมากระทบมันก็เลยอ๋อรู้อารมณ์วิปลาสแก้อารมณ์วิปลาสได้ทันทีเอออารมณ์วิปสัสโนได้ทันทีทันใดเลย เวลามันเกิดมีความรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเห็นช่องเห็นทางต้องเดินทางนี้แหละเวลาไปลฏิบัติธรรมมันเป็นทางใหม่ๆไ ม, ม, ม่มีทางนะใหม่ๆเหมือนกับมืดๆมนๆสงสัยลังเลไม่รู้ทำไปทำไมนะาการกระทบสัมผัสรู้สึกตรงไหนน้ะเขาเรียกว่าความรู้สึกตรงไหนเนาะเาเรียกวรูปธรรมตรงไหนเนาะเรียกว่านามธรรมตรงไหนเรียกสติ ตรงไหนเรียกสมาธิตรงไหนเรียกปัญญาตรงไหนเรียกโทสะโมหะโลภะตรงไหนเรียกรูปรูโรครูปรูปรูปโลกนามนามโลคตรงไหนน้อเป็นโลกของนามนามที่เป็นโลกของอยู่ตรงไหนมันได้ยินได้ฟังว่าเน้อมาคิดก็เป็นจินตญาณอีกแล้วเนี่ยมีไม่เวลาเดินไปคิดไปประโยคนั้นประโยคนี้ลอยมา ก็ดีเหมือนกันเพราะเวลาเราเดินแล้วก็คิดเนี่ยเจตนาคิดแจกแจงหัวข้อทําต่างๆถ้าพูดถึงในตำลักตาราเขาบอกว่าดีดียังไงต่มอมในแง่ดีมันก็ดีเหมือนกันเดินไปคิดไปเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนู้นความดีความงามต่างๆมันดีที่มันแก้ความง่วงได้นะบางทีเราปฏิบัติไ ป, ไปใหม่ๆมันง่วง วิธีแก้ความเมือหนึ่งคิดถึงหัวข้อธรรมหัวข้อธรรมโอ้ิลิโอตปะฮิลิอายชั่วโอตปะกลัวบาปโอเป็นเทวดาเป็นเทวธรรมนะเนี่ยคนที่เป็นเทวดาน้องอายชั่วกลัวบาปกลัวกลัวเขาไม่ชมเราว่าดีต้องชมว่าดีโอนิ่มเทวธรรมใกลควรคิดอย่างนี้แยกแยะแจกแจง มันไมง่วงเลยแหละเหมือนเวลาเราจะนอนเนเวลามีความขี้มันนอนไม่หลับ mm hmm. เราก็ใช้อามเนีน่ยมาแก้เลย mm hmm. มันมีอยู่ในพระสูตรว่ายแก้ง่วงพระเจ้าแก้ให้พระโมกขลา mm hmm. มกขลาเธอง่วงมากหรือพระเจ้าข่าเราง่วงมากเป็นพระโสดาบันแล้วนะยังนั่งง่วง mm hmm. พระเจ้าก็เลยบอกว่า mm hmm. นี่จําในพระสูตรมาเล่าให้ฟังนะไม่ได้เห็นว่าเจ้าสนนาพระโมกขลานะ mm hmm. เกิดไม่ทันหรอก มันก็บอกเราเนี่แหละ <Yeah. S 1> เราครูบาอาจารย์ทั้งใจเทศเราจําได้พับเปลี่ยน9้าประโยคบ้างเทศให้ฟัง <Yeah. S 1> เปลี่ยนเก้าหมายถึงจบสูงสุดทางได้เราศาสนาแล้ว <Yeah. S 1> ทางทฤษฎีเราให้ฟังเทศให้ฟัง <Yeah. S 1> นะพระบกลาเออห่วงมากว่าเจ้าขาถังอันเถอจงสาทะใหญ่มน <Yeah. S 1> ถ่าสาธยายญ่มนยังไม่หายแจกแจงหัวก็ทํา ถ้าแจากแจงหัวกอทําไม่หายก็แลนึกถึงคนงามความดี mm. เคยทํำดีอะไรมาถ้าเราไม่มีดีก็นึกถึงความดีของคนอื่นก็ไดนนะ้นึกถึงหลวงปูแ่แหวนนึกถึงหลวงปู่เทียนนึกถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่นึกถึงป mm. ูจนียบุคคลต่างๆ mm. เร า, าเคยใช้นะอยู่ที่นี่นึกถึงโอ้โชคดีเกิดยุคนี้ไม่ใช่ยุคคอมมิ น, นิตต่ยุคคอมมิ น, นิตมันะมรวมตัวให้มันยิงตาย ในยุคที่ประกาศฉุกเฉินห้ามรวมตัวเกินเจ็ดคนเนี่ยมารวมตัวนี่โดนจับหมด น, นี่ยุคนี้ดียังไม่ได้ว่าอะไรวารวมตัวกันได้เออโชคดีโชคดียุคนี้ดีอยู่ยุคของในหลวงพระจ้แผนดินราชการที่9ก้เป็นพุทธมามะก ะ, ะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในแง่ของพระราชดำหลัดเป็นเหมือนคําเทศนาธรรมโอ้คิดถึงแล้วสบายใจ นึกถึงวันที่โบกมือโอยทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเราดูแลเราก็ซึ้งใจนึกถึงความดีชาวบ้านนึกถึงความดีคนสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดสร้างวาในดีนะบารมีของหลวงพ่อเขียนทำไมเรามาปฏิบัติรมอย่างเงี้ยไม่ง่วงหรอกต่อมาก็คือนะถ้ายังง่วงอยู่ก็ให้ลืมตา ม, มองไกลๆมองช่องว่างท้องฟ้ายอดไม้ มองไปถ้ามองช่องว่างใจแล้วก็ว่างตามมองที่สบายใจแล้วก็สบายตามนะอย่างติดอารมณ์มากๆไปนอนกลางสะพานเงั้นดูดาวคืนนู้นเพลินไปเลยทำบ่อยๆสมัยก่อนคนไม่เยอะอยู่คนเดียวสองคนกับอาจารย์อยู่กี่งั้นกลางคืนบางทีเดินไปนอนกลางสะพานสบายเช้าตื่นมาทําวัดต่อที่ศละไก่นะวันไหนดาวหางต่อกันนอนนับดาวเลยกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวง ไปนับได้ถึงหกร้อยดวงนะดาวตกเกางธพานนู้นชอบธรรมชาติผ่อนกลายสบายตัวดีใจสบายตัวก็สบายลมเย็นนมองไปไกลๆช่องว่างท้องฟ้ายอดไม้ก้อนเมฆเนีย่ยโยนจิตออกจากความง่วงไว้ก่อ น, นก็หลุดพอรู้สึกสบายกลับมาเล่นซดกับเันใหม่ยกมือสิบสี่งั่าเอาทาไม่หายรูปหน้ารูปตาเอามือรูปเนื้อรูปตัวรูปแขนลูปขาไป รูปมันก็จะสบายอย่างเงี้ยอไมสบายก็เอาไม้มาปั่นหูดอกยาก็ได้มาปั่นหูมันจะกระเดียมกระเดียมเสียวเสียวมันจะดึงจิตออกจากความง่วงก่อนปั่นหูรู้สึกสนุกไมโยมรู้สึกดีไหมเวลาปั่นหูเนี่ยดีใช่ั้ยอาบาช่วงนี้หูเป็นน้ำหนวกปั่นแล้วรู้สึกอืรู้สึกสบายดีเหมือนกันนเสียวเสีย ว, ยวหู ดเสียวมีหูมีติ่งหูใชมีมากมายแล้วกันเนี่ยทางนี้ยทงแถบและจุดเสียวเนี่ยอย่างเงี้ยพระถวเนี้ยเสียวกระเดียมเชื่อไหมหลวงพ่อกรมเชื่อไหมครับว่าเสียวว่าแถวเนี้ยตจีเนี่ยมันกระเดียมมันจุดตื่นไงแถบเนี้ยแถวเอวเยจุดตื่นหลวงก็ชี้ไว้ให้นะไปรู้สึก ขณะที่เอาสมรีปั่นมันก็หายง่วงเลยน้ำหนักของความรู้สึกมากกว่าความง่วงเมื่อเม้มหนักมากกว่าจิตก็สนใจแต่ถ้าไม่ไมีไม่มีอะไรมาล่อมาช่วยมาเลยแน่นอนก็เข้าไปในความง่วงแล้วต่อมาก็คือถ้ายังง่วงอยู่ลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งง่วงเดินจงกรมสิเดินจงกรมหลวงพเทียนมีวิธีแก่ง่วงน ะ, นะถ้านั่งยังไม่รู้กับท่านทำอย่างนี้นะ อย่างนี้นะปุ๊บป๊บป๊บอย่างี้นะแล้วก็ป๊บป๊บป๊บป๊บป๊บป๊บป๊บป๊บป๊บเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเวลามันรู้สึกตัวซ้ำซ้ำซ้้มันเบื่อล้วต้นนิสัยก็มันตามธรรมชาติเนี่ยมันขี้เบื่อมันขี้เบื่อมาก มันเข้าทางกิเลสคราวนี้พอมันเบื่อเบื่อแล้วเปลี่ยนมันนิดนึงเปลี่ยนเจตนาเจตนาที่ซ้าๆเปลี่ยนนิดเดียวมันก็หลุดเลยเหมือนกับหมาวิ่งไล่กระต่ายไงนะวิ่งไล่จี้จะทันแล้วจี้จะทันกระต่ายพลิกตัวหลบนิดเดียวหมาวิ่งเลยไปเลยเหมือนกันความง่วงวิ่งเลยไปเลยเปลี่ยนเจตนานิดเดียวถ้าไม่หายาเปลี่ยนเอียบอดแล้วไม่หายนั่งเป็นเดิน เดินจงกรมแล้วไม่หาไปล้างหน้าล้างตาซะอาบน้ำอาบผ้าแช่ผ้าไว้ไปซักผ้าก็ได้แช่ไว้ไปล้างง่วงๆไปซักไปล้างห้องน้ําก็ได้พอไปล้างโดนน้ำหรือว่าทําดีมันมีพิติมาหล่อเลี้ยงหายง่วงเลยนะจิตเป็นบุญเพราะว่าความง่วงขณะที่มันปฏิบัตินะงานการอะไรเป็นอกุศลเจตสิกเป็นปกิณกะ อ, ก, อกุศลเจตสิก แต่พอเราเอาจิตกุศใลใส่เข้าไปเอาบุญใส่เข้าไปมันก็หายหทันทีเ้วก็มีประสบการณ์มีเทคนิคมีทักษะปรับเปลี่ยนจนถ้ามันจำนานขึ้นมาอุบายแก้ง่งวงโมกระลาถ้าเธอไปเดินจงกรมไม่หายไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าถ้าอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานั่งปฏิบัติแล้วยังไม่หายง่วงโมกรลาก็นอนซะ มันมันไม่ง่วงจริงๆก็ไปนอนเด้อไว้ yeah. Yeah. พวกเราส่วนใหญ่เนะเราก็จะจำอยู่ข้อเดียวเว <Yeah. S 1> ลาง่วงอะอมกลานอนซะ <Yeah. S 1> ข้ออื่นกัไ ก, ก็ได้จำก็แล้วจำแม่นถึงเวลาเอาแล้ว <Yeah. S 1> ความง่วงมาก็ช่วยเหลือเ็าอย่างดีเลย yeah. Yeah. หาต้นเสาพิงหาต้นไม้พิง <Yeah. S 1> แล้วก็เวลาง่วงเนะี่ย <Yeah. Yeah. S 1> มือยกไม่ขึ้น เคยเห็นหลายคนนะไม่รู้เอาแรงมาจากไหนลากเก้าอี้ไปตั้งอยู่ตรงต้นยางอ่ะแล้วก็พิงหลับเอาแรงมาจากไหนกันเวลาง่วงกิเลสสั่งนเพราะนั้นเราก็ใช้อวยแก้งง่วงที่มันมีอยู่นี่จากครูบาอาจารย์จากเขาเชื่อว่าพระเจ้าพูดนะเอามาเป็นประโยชน์เวลามันง่วงขึ้นมาก็เป็นอารมณ์ปฏิบัติไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่าจัดระเบียบให้มันนอย คือเนี้ยต้องใช้แล้วเวลาจะนอน2องทุ่มสองทุ่ ม, มครึ่งไม่เกินสามทุนหลับซะนะปฏิบัติได้ลมดีขนาดไหนก็ตามก็หลับซะแล้วเช้าตื่นมาตื่นเวลาไหนก็ไม่ไอ้อยอิงไม่พลิกใจพลิกหัวลุกขึ้นมาเลยพับที่นอนหมอนมุง้งล้างหน้าล้างตาเช้าเช้านี่สดชื่นไนงะใครตื่นมาตีสองตีสามลองลุกมาเดิน พระจพระจันทร์เต็มดวงมันมันสดชื่นเงียบนะเหมือนกับมันเป็นสิ่งสิ่งประกอบเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบนะที่ช่วยเราดีจริงๆสดชื่นตื่นมารู้สึกว่าจิต ม, มันตื่นเห็นจิตตื่นไม่หวาดไม่กลัวอะไรปลอดภัยชีวิตเวลาปฏิบัติธรรมรรมากคุ้มครอง ผีก็ไม่กลัวงูงเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ร้ายก็ไม่กลัวมัมีความเชื่อเลยว่าสัตว์ไม่ทำอะไรเราเวาจิตมันรื่นเริงจิตปลาโมดขณะปฏิบัติทำจะเห็นว่าไม่มีความกลัวเกิดขึ้นมีแต่ความปกติมีแต่ความปิติสุขที่มันคอยประคับประคองให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างพาสุข มันก็เลยปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขว่านั้นคนที่รู้สึกตัวจิตจะปลาโมดคนที่รู้แล้วรู้ถูกมันจะเกิดศรัทธาแล้วก็จิตก็จะลื่นเริงกับการปฏิบัติกับการกระทําทันทีเมื่อจิตปลาโมดปิติก็จะหล่อเลี้ยงทันทีปัสสติก็จะมาทันทีกายสงบใจสงบทันทีความสุขก็จะตามมาทันทีเมื่อความสุขเกิดอยู่ตรงไหนป๊บจิตจะให้ราคาให้คุณค่ากับสิ่งนั้นทันทีสมาธิเกิดทันที มืตั้งมันกับการเคลื่อนไหวการกระทำครั้นี้มันก็เกิดปัญญาต่อไปวิมุตต์หลุดพ้นได้มันเคยทําอะไรมามีความสุขไม่สุขเท่ากับตัวที่เราปฏิบัติหรอกมีอยู่แน่นอนความสุขในการปฏิบัตนะิแต่มันเกิดจากจิตจิดเจิ ด, จดก่อนเหมือนกะลิ้นเราถ้ากินรสจัดเกินไปเราจะไม่รู้ว่าน้ําจิดเจิดมีรสหวานอยู่ในนั้นนะเราจะไม่รู้เลยว่านะข้าวเนี่ยมันมีรสหวานอยู่ในแป้งด้วยราเขียวนานๆ ส่วใหญ่คนยุปกันลดจัดมากจนไม่รู้ว่าธรรมชาติเดิมๆมันมีซ่อนรสชาติไว้เราเรียบร้อยแล้วนะน้าซุปผักเนี่ยหวานเจ็บเลยนะไม่ต้องเติมน้ําตาลไม่ต้องเอาสิ่งที่ปรุงแต่งใส่เข้ามานะเรียวกว่าธรรมชาตินะมันอารมณ์ปกติจะมีความสุขซ่อนอยู่ใยนั้นแน่นอนนะนะก็ค้นให้พบกันแล้วกันทําให้ถึงนะเราได้ริ้มรสของวัฒนธรรมรสจะต้องปรากฏแน่นอนสหรับนะคนที่ตั้งใจนะใส่ใจ อย่าหันหน้าหันตาไปไหนกันแล้วกันอณะจันท์ น, น, นี้ก็เห็นว่ า, าคำพูดก็ใช้มากเกินพอดีละเห็นว่าสมควรเกล้ากราบพระพร้อมกัน